อย่าฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่การทำสมาธิสติเจริญขึ้นเพราะใส่ใจเห็นความไม่เที่ยงของจิตในระหว่างวันชีวิตระหว่างวันเป็นจิตชนิดหนึ่งผู้หวังเจริญสติให้ถึงฝั่งควรฝึกแบบหยอดกระปุกรู้ความม่เที่ยงแบบเก็บเล็กผสมน้อยเพราะปัญญาเกิดจากการค่อยๆเห็นไม่ใช่เกิดจากการเห็นทีเดียว หรือทำความเข้าใจได้ครั้งเดียวภาวะทางกายใจเป็นสิ่งติดตัวตลอด24ชั่วโมงถ้าใส่ใจเห็นความมิเที่ยงของจิตในระหว่างวันได้สติจะดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่การทำสมาธิใช้สมาธิเป็นกระจกส่องพฤติกรรมทางจิตเสีย แล้วแก่พฤติกรรมนั้นในระหว่างวันสมาธิคือกระจกส่องให้เห็นชัดๆว่าคุณมีพฤติกรรมทางจิตเสียยข้อไหนบ้างและเมื่อแก้พฤติกรรมทางจิตที่เสียยในระหว่างวันได้คุณจะพบว่าการนั่งสมาธิเกิดความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดถ้าพบความกระวนกระวายระหว่างนั่งสมาธิก็ต้องบอกกับตัวเองว่า เราจะออกมาแก้นิสัยกระวนกระวายระหว่างวันถ้าพบความสับสนระหว่างนั่งสมาธิก็ต้องบอกตัวเองว่าเราจะออกมาแก้นิสัยสับสนระหว่างวันหรือถ้าพบกับความหลักลอยอเคว้งคว้างไรจุดหมายระหว่างนั่งสมาธิก็ต้องบอกตัวเองว่าเราจะทำชีวิตทั้งชีวิตให้คิดแบบมีจุดหมาย ฝึกเห็นความไม่เที่ยงในระหว่างวันให้ได้ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีสิ่งที่ต้องเห็นให้บ่อยให้ได้ทุกวันทุกชั่วโมงแล้วข็หยับเลื่อนเป็นทุกนาทีคือความไม่เที่ยงของภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขอบเขตกายใจไลยตั้งแต่ ง, ง่ายๆเช่นความไม่เที่ยงของลมหายใจไปจนถึงความอึดอัดสบายจิตสงบจิตฟุ้งซ่าน จิตสว่างเป็นกุศลและจิตมืดเป็นอกุศลรู้ให้ได้เรื่อยๆว่าภาวะเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วต้องหายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบปึกเห็นสายโซ่ของเหตุผลทางกายใจการเห็นแบบพุทธคือการเห็นแบบเข้าใจเงื่อนไขที่มาที่ไป เห็นด้วยความเป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่เกิดเองลอยๆภาวะทางจิตภาวะทางกายเกิดจากการปรุงแต่งจากเหตุก่อนหน้านั้นจึงเกิดผลลัพธ์ตามมาตัวอย่างเช่นเมื่อจิตสว่างหรือจิตมืดก็เห็นถึงรายละเอียดที่อยู่ในความสว่างหรือความมืดของจิตนั้นอ่านออกบอกถูกไปถึงนิสัยหรือพฤติกรรมที่แท้จริงว่า เพราะไปทำอะไรมาจึงเป็นเหตุให้เกิดสภาพทางใจแบบที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี้หรือเมื่อมีความคิดร้ายเกิดขึ้นก็เห็นว่าเพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเช่นถ้าไม่มีคนแย่ๆอย่างเขาความคิดร้ายก็คงไม่เกิดขึ้นในหัวคุณคงเกิดความคิดแบบอื่นที่ร้ายน้อยกว่านี้หรือเห็นว่าเมื่อหายใจยาวผ่อนคลายรู้สึกสบายเป็นสุข ความคิดก็สงบระงับหรืออย่างน้อยก็คิดดีเมื่อหายใจสั้นเกรงแน่นรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์ความคิดก็ระสามระสายหรืออย่างน้อยก็คิดไม่ดีเหตุปัจจัยไหลมาตามลำดับไม่มีจุดเริ่มต้นอันเป็นที่สุดไม่มีศูนย์กับหนึ่งมีแต่ก่อนหน้ากับถัดไปฐานรากของสมาธิที่แท้คือการใส่ใจ สิ่งที่อยู่ในขอบเขตกายใจตนเองอันเป็นสิ่งติดตัวตลอด24ชั่วโมงสติเจริญขึ้นไม่ได้ด้วยการล็อกเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมแต่สติเจริญขึ้นเพราะรู้ว่าระหว่างวันภาวะใดเกิดขึ้นบ่อยๆในตนนี่ละจะก่อให้เกิดปัญญาเกิดความยังรู้พอสามารถเห็นได้แล้วก็จะมีเป้าหมาย เป็นปัญญาหลุดพ้น